Oh. ทำให้เราดัานด้นแล้วก็มารอนแรมที่วัดลองถามตัวเราเองดูเพราะมาวัดนี้ก็ไม่ใช่มา ง, ง, ง่ายๆก็มาอยู่วัดก็ไม่ใช่ว่าสะดวกสบายส่วนใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยมาเพราะมีความทุกข์คาดหวังว่า มาแล้วเนี่ยนะจะช่วยให้ความทุกข์มันหมดไปหรือมันคลี่คลายไปบางคนอาจจะไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากนะแต่ก็รู้ว่าความทุกข์มันรออยู่ข้างหน้าก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เพื่อรับมือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นอันนี้ถ้าปรารถนา ให้ความทุกเนี่ยมันคลี่คลายหายไปต้องรู้เสีย ก, ก่อนรนะหว่าความทุกเนี่ยมันเกิดจากอะไรไม่ใช่แค่มาถึงวันแล้วเนี่ยความทุกมันจะหมดไปหรือว่ามาแล้วจะสบายใจก็อาจจะเป็นไปได้นะบางคนมาแล้วก็สบายใจเพราะว่ามันห่างไกลจากผู้คนห่างไกลจากปัญหาห่างไกลจากงานการ อ่างกลายจากภารกิจแต่ว่าพอกลับไปก็ทุกเหมือนเดิมแม้จะตั้งใจมาที่นี่เพื่อปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติที่เรียกว่าทำกรรมฐานหรือว่าเจริญสมาธิภาวนานเนี่ยสุดท้ายมันต้องรู้นะว่าทุกเกิดจากอะไรเจเพราะความทุกข์ใจความทุกข์กายเนี่ยมัน มีสาเหตุมากมายซึ่งรวมแต่เป็นสาเหตุภายนอกเช่นเชื้อโรคอาหารเป็นพิษหรือว่าของมีคมที่ทำให้บาดเจ็บอาจจะรวมไปถึงมลพิษในอากาศแล้วก็ที่จริงก็รวมไปถึงความเสื่อม ของร่างกายซึ่งมันเกิดจากทุกข์ประจำสังขารอันนี้ก็ทำให้เจ็บป่วยทำให้เกิดความทุกข์ใจ เ, เกิดความทุกข์กายแต่ถ้าเป็นความทุกข์ใจเนี่ยเรียกว่าร้อยทั้งร้อยเลยก็ว่าได้นะสาเหตุมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละ คนอื่นสิ่งอื่นเนี่ยเป็นส่วนประกอบแต่ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่อยู่ในใจของเราความทุกของคนส่วนใหญ่เนี่ยก้อนใหญ่ๆเลยนะก็เกิดจากความคิดเวลาใจเราคิดไปถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีต นึกถึงเหตุ ก, การณ์ที่เจ็บปวดเกี่ยนความสูญเสียคนรักของรักนึกถึงคนที่เขาทำร้ายเราด้วยคําพูดก็ดีด้วยการกระทําก็ดีเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดเราก็จะรู้สึกโกรธเราก็จะรู้สึกเศร้าโศกหรือบางทีนึกถึงสิ่งที่เรา ควรจะทําแต่ไม่ได้ทํากับบุพการีหรือคนรักเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกเสียใจเกิดความรู้สึกผิดขึ้นมาทั้งที่ตอนนั้นอาจจะกําลังเดินจงกรมอยู่ทั้งที่ตอนนั้นอาจกําลังยกมือสร้างจังหวะหรือทั้งที่ตอนนั้นอาจจะกําลังนอนอยู่ในตอนเดียวกันนั้นเวลาเราคิดถึงปัญหาที่มันรอยอยู่ข้างหน้าซึ่ง อาจจะยังไม่เกิดนึกถึงภาระนึกถึงการงานนึกถึงหนี้สินที่ต้องชำระนึกถึงอนาคตของลูกนึกถึงความเจ็บป่วยที่อาจจะลุกลามของพ่อแม่บุพการีก็จะเกิดความรู้สึกหนักอกหนักใจเกิดความกลุ่มเกิดความเครียด รู้บางีก็จะเกิดความกลัวเราคิดอะไรเนี่ยใจยมันก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่องลบใจก็มีความรู้สึกลบตามไม่ว่าสิ่งนั่นจะเป็นเรื่องราวในดีหรือเหตุการณ์ที่กรุงแต่งในอนาคตาะความคิดกับอารมณ์นี่มันมาด้วยกันนะ คิดถึงเรื่องความสูญเสียก็เกิดความเศร้าโศกคิดถึงความผิดพลาดก็ทำให้เกิดความเสียใจคิดถึงการกระทาคำพูดที่ชิ่นแทงใจก็เกิดความโกรธคิดถึงงานการก็เกิดความหนักอกหนักใจหรือว่าคิดถึงปัญหา ที่รออยู่ข้างหน้าก็ทำให้เกิดความกลุ่ม อ, อกกลุ่มใจและบ่อยครั้งเนี่ยมันเป็นความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดนะมันเผลอคิดไปมันเป็นการคิดแบบเรียราดแต่พอคิดแว บ, บไปใจก็ทุกข์ขึ้นมาเลยให้เราทุกข์เพราะคิดถึงเรื่องราวในอดีตหรือไปกังวลกับเรื่องราวอนาคต ก็มากนะมันไปที่ความคิดของเราหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นขัางหน้าต่อหน้าเราถ้าเกิดเราคิดในทางลบทางร้ายนะเราก็เกิดความเครียดเรากเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเช่นเห็น เพื่อนร่วมงานกระซิบก็ะซาบกันแต่แล้วก็หยุดพอก็เห็นเราถ้าเกิดว่าเราคิดไปในทางลบว่าเนี่ยเขากาลังนินทาเราเขากำลังสมคบหาทางกลั่นแกล้งเราเราก็เครียดเลยทั้งที่ก็าาจะกำลังคุยกันถึงเรื่องของพ่อแม่ของเราซึ่งกําลังเจ็บป่วย เป็นห่วงกันหรืออาจจะคิดจะทำเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับเราอาจจะเป็นพาอใกล้วันเกิดเขาก็เลยไม่อยาก จ, จะให้เรารู้ว่าเขาคุยอะไรกันก็ได้นะแต่ตอนที่ที่เราคิดโลกคิดลายไปนี่เราทุกข์เลยหรืออยู่ในห้องนะขณะที่มาปฏิบัติที่นี่เนี่ย มีเสียงกุกกักขึ้นมาบนหลังคาหรือเสียงคล้ายคนเดินอยู่หน้าที่พักถ้าคิดลกคิดลามก็เกิดความกลัวนะผีหรือเปล่านะในวัดนี้เนี่ยเป็นป่าซะด้วยเนี่ยวัดจะมีอะไรนอกจากผีพอคิดแบบนี้เข้ามันก็ขนลุกเลย มันเป็นเพราะความคิดของเราจรึงทุกข์แต่มันก็ไม่ใช่เป็นเพราะความคิดล้วนๆอย่างเดียวนะที่ทำให้เราทุกข์ใจเนี่ยถ้าไปวยกว่านั้นคือการวางใจที่ไม่ถูกต้องไปเพราะเราวางใจไม่ถูกมันก็เลยเกิดความทุกข์เช่นการไปจวจ่อไปยึดติดถือมั่นกับ สิ่งที่ไม่ควรจะยึดติดไม่ควรจะถือมั่นเช่นเสียงดังเนี่ยเสียงดังเนี่ยมันมากระทบหูเนี่ยเราไม่ชอบแต่ทำไมใจไปจดจ่อกับเสียงนั้นมีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับหลวงปู่บุตรดานะหลวงปู่บุทธดาท่านก็มรณภาพไป30้ปีแล้วนะ เรื่องที่เราเนี่ยก็60ปีได้แล้วมั้งตอนนั้นท่านก็อายุได้ถึง80มีคราวหนึ่งไงโยงก็นิมนต์ท่านไปแสดงธรรมแล้วก็มีการทำบุญเลี้ยงพระด้วยนะที่กรุงเทพพอเสร็จงานเนี่ยท่านฉันเสร็จนะท่านก็จะกลับวัด โยมที่เป็นเจ้าภาพก็เห็นว่าท่านชราแล้วแล้วก็การที่จะกลับสิงห์บุรีเนี่ยมันก็ระยะทางตอนนั้นก็ไกลถนนก็ไม่ค่อยดีก็อยากให้ท่านพักผ่อนสักหน่อยนะก็จัดห้องให้ท่านพักท่านก็เอหลังลก็มีลูกศิษย์นนะสองสามคนเนี่ยมานั่งเป็นเพื่อนลูกศิษย์นี่เวลาจะคุยกันก็กระซิบกระซาบ แต่เมืเอินห้องที่หลวงปู่นอนพักอยู่เนี่ยมันติดกับร้านขายของชำร้านโชวหวยเจ้าของนี่เป็นคนจีนนะเป็นอาซึ่งคนจีนสมัยก่อนเนี่ยก็สวมเกีย้ยเกีย้ยไมนะ้คนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแล้วตอนนั้นมันก่อนที่จะมีรองเท้าพลาสติกนะงรองเท้าฟองน้ำ เ, นเวลาเดินเนี่ยเสียงเกีย้ยมันกระทบ พื้นกระทบบัดดายมันก็เสียงดังดังเข้ามาถึงห้องที่หลวงปู่จำวัดอยู่ลูกศิษย์ได้ยินก็ไม่พอใจนะก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่านเองหลังอยู่แต่ท่านไม่ได้หลับนะท่านได้ยินท่านก็เลยเปรยขึ้นมาเบาวๆว่าเนี่ยขอตัวนของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูวไปลองเกี้ยเขาเอง เสียงเกียไม่ใช่ปัญหานะแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเอาหูไปรองเกียแะเมื่อหูไปรองเกียหรือาหูไปจดจ่ออยู่กับเสียงเกี้ยนี่มันก็ก็เลยทุกข์นะแล้วที่เอาหูไปรองเกี้ยเพราะอะไรนะพ่อไม่มีสติไม่มีสติใจมันก็เลยไปไปยึดไปก่อนที่เสียงเกี้ยหรือผู้ผู้ยญนคือเอาหูไปรองเกีย้ะแล้วมัใช่เฉพาะเสียงเกี้ยนะ อาจจะเป็นเสียงคนคุยกันอาจจะเป็นเสียงรถยนต์เสียงเครื่องยนต์เสียงโทรศัพท์มือถือเสียงหมาเห่ามันไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอกถ้าเราไม่เอาหูไปรองเสียงเหล่านั้นหรือปล่อยให้เสียงเหล่านั้นมันทิ่มแทงใจที่เป็น พ, นพ่อใจไม่มีสตินะันก็เลยหูก็เลยเป็นหูหาเรื่อง ใจก็เลยไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นปล่อยให้มันทิ่มแทงเอาแล้วคนก็ไม่เข้าใจเนี่ยไปโทษว่าเสียงเกียหรือเสียงที่ดังเหล่านั่นแหละคือปัญหาแต่ไม่ได้ตระหนั ก, กว่าที่จริงเนี่ยตัวการที่สร้างปัญหาเนี่ยคือใจของเราหรือการวางใจที่ไม่ถูกต้องเช่นใจที่ไม่มีสติใจที่ไปยึดติด ถ, ถือมัน่น รวมทั้งใจที่ปรุงแต่งด้วยนะการปรุงแต่งการให้ค่าหรือความรู้สึกชอบชังเสียงนั่นเนี่ยมันก็มีผลมากเลยนะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดวัดหนึ่งก็ไปค้างคืนอยู่สองสามคืนนะหลังจากที่ค้างมาได้สักคืนสองคืนเนี่ย รุ่งเช้าเนี่ยเจ้าว่าก็ถามว่าเป็นยังไงหลับดีไหมผู้ชายคนนั้นก็บอกว่ า, วาเนี่ยทีแรกก็หลับไม่ค่อยดีเพราอมีเสียงห่านห่านร้องเนี่ยเสียงดังดังจนนอนไม่หลับเลยแล้วทีหลังหลับได้ไหมบอกหลับได้ทำยังไงอะ่ะก็ เธอมีโทรศัพท์อยู่แล้วก็โทรสารนี่มันก็อัดเสียงธรรมะมีเสียงบรรยายของครูบาอาจารย์หลายท่านก็เลยฟังธรรมะฟังคําบรรยายจากเสียงครูบาอาจารย์โดยเอาหูเนี่ยหูฟังเนี่ยเสียบเอหูฟังเสียบหูเนี่ย ไม่นานก็หลับถามว่าตอนเอาหูฟังเนี่ยเสียหูเนี่ยเสียงธรรมะเนี่ยกับเสียงหานอะไรดังกว่ากันบูญชาวนี้บอกเสียงหานดังแต่ว่าเสียงธรรมะจากโทรศัพท์มือถือที่เสียหูเนี่ยเสียงธรรมะนี่มันดังกว่าอยู่แล้วแต่ทําไมหลับได้เสียงหานเนี่ยเบาวกว่าเสียงธรรมะ ที่ฟังสิเองเนี่ยที่หลับได้เพราะอะไรนะเพราะว่าพอใจกับเสียงธรรมะรู้สึกดีกับเสียงธรรมะเสียงบรรยายแต่ว่าเสียงหาเนี่ยไม่ชอบรู้สึกรบกับมันดังจริงๆเนี่ยมันไม่ที่ที่ว่านอนไม่หลับไม่ได้เป็นเพราะว่าความดังของเสียงนะ แต่อยที่ความชอบหรือความชังต่อเสียงนั้นหรือความรู้สึกลบหรือบวกกับเสียงนั้นพอรู้สึกลบกับเสียงห่านมันก็เลยนอนไม่หลับแต่ด้วยความรู้สึกบวกกับเสียงธรรมะเสียงบรรยายาก point, <Straße? S 2> ็เลยหลับทั้งที่เสียงธรรมะนี่มันดังกว่าเสียงห่านนั้นแต่ว่าวไปแล้วเนี่ยหลับหรือไม่หลับเนี่ยมันก็ไม่ได้ที่ความดังนะแต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับเสียงนั้น ตรงนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยมองเท่าไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ใจของเราเนี่ยมาไม่ได้ทำให้เราทุกข์มากถ่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเรามีท่าทีกับมันอย่างไรหรือเราทํำยังไงกับมันเช่นเอาหูไปลองเกี้ยก็ทุกข์หรือว่ารู้สึกไม่ชอบเสียงฮานเสียงหมาเห่าเสียง โทรศัพท์มือถือมันก็เลยหงุดหงิดจนนอนไม่หลับแต่ถ้ารู้สึกบวกกับเสียงธรรมะเสียงคำบรรยายเสียงสดมน์มันก็หลับได้เพราะสบายใจเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยสุขหรือทุกเนี่ยนะมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความคิดอยู่ที่การปรุงแต่งอยู่ที่ความรู้สึกนะที่มีต่อสิ่งที่มากระทบ ไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่คนไม่ได้มองไม่ได้ตระหนักก็เลยปล่อยใจไปเรื่อยเปื่อยและปล่อยใจให้หยิบให้ช่วยความทุกเนี่ยมาทินแทงใจของตัวนั่นนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะว่าเหตุแห่งทุกเนี่ยจริงจริงแล้วอยู่ที่ใจเราอยู่ที่จริงๆริงจะว่าไปไม่อยู่ที่ความคิดนะ แต่อยู่ที่การที่เผลอคิดหรือไม่รู้ทันความคิดอยู่ที่การปล่อยใจไปยึดไปติดอยู่กับเสียงที่ทั้งที่ททไม่ชอบนะแต่ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางหรือว่าเกิดจากการปรุงแต่งในทางลบที่มีต่อสิ่งที่มากระทบนี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยตระหนัก ่ทันทีที่เราตระหนักนะหรือว่าเรารู้ทันนะพอเรารู้ว่าเนี่ยอที่เรางุนหงิดนะเพราะว่าใจไปยึดไปติดหรือเอาหัวไปลองเกี้ยเราก็ถอนใจออกมาแค่รับรู้เฉยๆไม่ไปยึดติดกับมันหรือพอรู้สึกว่าใจเรามันมีอาการเป็นลบต่อเสียงก็ปรับใจให้เป็นกลางกับเสียงนั้น หรือปรับใจให้เป็นบวกกับเสียงนั้นมันก็หลับได้หรือว่ามันก็รู้สึกคลายทุกข์ได้เหมือนกันนะไอที่เคยเครียดนะมันก็เปลี่ยนไปกลายเป็นความรสึกกลางๆเรื่องจะกลายเป็นความยินดีได้ซ้าสิ่งสำคัญคือการรู้ทันนะรู้ทันอาการของใจเมื่อมันเผลอคิดไปหรือว่าเมื่อมันไปยึดติดถือมั่นไปจดจ่ออยู่กับอะไรบางอย่าง หรือเมื่อเริ่มมันรู้สึกเป็นรบไอ้การที่เราจะรู้ทันได้มันต้องมีสตินะมี ส, ต, สติสติสําคัญมากไอ้การที่เราจะคิดอะไรเนี่ยมันไม่สําคัญแต่กว่ารู้ทันความคิดไหมเพราะฉะนั้นที่พูดว่าทุกข์เพราะความคิดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ถูกนะทุกข์เพราะหลงคิดหรือทุกข์เพราะไม่รู้ทันความคิดเนี่ยจะถูกกว่า มีความคิดแต่ไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าว่าเรารู้ทันมันเห็นมันเพราะว่าทันทีที่เห็นมันรู้ทันมันมันก็จะวางได้พอรู้ว่าใจระวงังเราวางใจไม่ถูกต้องอก็ปรับใจให้มันถูกต้องซะมันก็ไม่ทุกข์แม้ว่าเหตุปัจจัยภายนอกยังไม่เปลี่ยนเสียงก็ยังดังอยู่นะแต่ว่าพอเราปรับเปลี่ยนที่ใจให้ความทุกข์มันก็ลดลงหรือมันก็จะกลับคืนเป็นความปกติ การที่เรามาเจเริญสติเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะที่มันจะช่วยทำให้เรานะออกจากความทุกข์แม้จะเป็นช่วขณะจะไม่ใช่เป็นการออกจากทุกข์อย่างท้าววรก็ตามแต่ก็ช่วยทำให้เราเนี่ยรู้วิธีที่จะออกจากทุกข์ได้แต่หม่ๆเนี่ยการที่จะรู้ทุกข์เนี่ยการที่เราจะรู้ทันความคิดเนี่ยมันก็ยากน ะ, ะก็ต้องอาศัยตัวช่ว ย, ชวยเช่น รู้กายก่อนรู้กายเมื่อเรารู้กายคือรู้ว่ากายทำอะไรเดินก็รู้ว่าเดินยกมือก็รู้ว่ายกมือหรือหายใจเข้าหายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกมันก็ช่วยทำให้สติเรามีความว่องไวปราดเปรียวจากรู้กายก็มาเป็นรู้ใจแล้วก็สามารถจะรักษาใจได้เราห้ามใจไม่ให้คิด ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะรู้ทันความคิดแล้วก็รักษาใจไม่ให้ความคิดเนี่ยที่ลบที่ร้ายเนี่ย ม, มารบกวนครอบ ง, งำจิตหรือชักนําจิตเราไปสู่ความทุกข์ได้กายเนี่ยมันมีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้มันเพียงแค่การรู้กายเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถที่จะคลายความทุกข์หรือสลัดความทุกข์ออกไปได้ มีเด็กคนหนึ่งนะอายุเก้าขวบเนี่ยแกเป็นคนที่โกรธง่ายนะแล้วก็เวลาโกรธเนี่ยไม่รู้จะระบายกับใครก็ระบายกับตัวเองนะมีคราวหนึ่งเนี่ยนะเพื่อนแกลงนะเพื่อนแกลงเนี่ยแกโมโหมากเลยนะแกก็เอาเอามือเนี่ยขีดแขนนะ ขูดขีดแขนตัวเองถึงแมาจะไม่เป็นรอยนะแต่ว่ามันก็รู้สึกเด็กก็เจ็บ น, นะไม่ได้ขูดแขนใครนะขูดแขนตัวเองตอนบ่ายโกรธอีกนะเพอถูกเพื่อนแกลงก็ที่บีบคอตัวเองเลยบีบคอตัวเองพี่เลี้ยงก็เลยเรี่องมาเอาคู่กรณีมาคุยนะคู่กรณีเนี่ยเด็กที่แกลงเพื่อนนะก็รู้ รู้สึกสำนึกผิดนะก็ขอโทษนะแต่เด็กผู้ชายเนี่ยคนที่ที่โกรธเนี่ยแกบอกว่าขอโทษมันก็ไม่จบหรอกพี่เด็กก็ถามว่าหนูไม่รับคําขอโทษของเขาเหรอเด็กก็บอกว่ามไม่เกี่ยวนะเพราะว่าถึงแม้เพื่อนขอโทษแต่ผมก็ยังโกรธอยู่นะแล้วโกรธเนี่ยมันจะระเบิดออกมาผมก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นนั่นนะ แต่มันก็ห้ามใจไม่ได้มันกลุ้มตัวไม่ได้แล้วพอเราโกรธเนี่ยผมก็รู้นะไปไปแกล้งเพื่อนไประบายกับเพื่อนไม่ได้ก็เลยมาระบายกับตัวเองดีกว่าแต่ก็ไม่ไรู้จะทํำยังไงเพราะผมก็ไม่อยากไปถึงจุดที่มันระเบิดออกมาพี่เลี้ยงก็เลยแนะนํานะอ่าหนูก็ลองทําอย่างนี้เสร็นะหายใจเข้าลึกๆนะเวลาใจเข้าก็รู้รู้สึกถึงลมที่เข้า เวลาหายใจออกทางปากก็รู้สึกถึงลมที่มันออกมาเอาใจอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เอามือเนี่ยนะมาแตะที่หน้าอกให้รับรู้ถึงจังหวะการเต้นหัวใจแต่หัวใจมันเต้นเร็วนะก็เอาใจไปอยู่ที่ลมหายใจก่อนหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกตัวจนกว่าจะรู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยมันค่อยๆเต้นกลับมาเป็นปกติ ลองทำดูสิแล้เด็กก็บอกว่าทำไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้ผลหรอกพี่เลี้ยงก็บอกว่าไม่มีใครบอกได้หรอก้วมันได้ผลหรือมันจะช่วยหนูได้หรือไม่นจนกว่าหนูจะลองดูแล้เด็กก็ลองทำนะบอกว่าทำแล้วมันช่วยเขาเด็กช่วยเขาได้นะเด็กบอกเออรู้สึกดีขึ้นนะพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่านะเออที่หลังทำบ่อยๆนะัเวลาโกรธเนี่ย ไม่ต้องมาทำร้ายตัวเองไม่ต้องระบายความโกรธใส่ใครให้กลับมากลับมาทำรับรู้ลมหายใจเอามือแตะที่หัวใจสิ่งที่ครูสิ่งที่พี่เรียงแนะนำคือเราให้มารู้กายนะให้มารู้กายกายมารู้กายรู้ลมหายใจมันช่วยทาให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมาช่วยทำให้วางความโกรธวางเรื่องราวที่ทำให้โกรธได้ แนขณใจมันจะนึกถึงการกระทำและําพูดของเพื่อแล้วก็ยิ่งโกรธก็ไปใหญ่แต่พอให้มามารับรู้ลมหายใจมารับรู้กายเนี่ยจิตมันก็ต้องวางความโกรธหรือเรื่องราวที่โกรธมาอยู่กับลมหายใจเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาพอเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะความโกรธก็ทุเล า, าเด็กเนี่ยเขาสัมผัสได้นะรับรู้ได้โดยตัวเองนะว่า ไอ้ความรู้สึกตัวหรือการมารู้กายนี่มันช่วยนะถึงแม้ว่าเด็กเนี่ยจะยังไม่ทันรู้ทนันยังไม่มีความสามารถพอที่จะรู้ทันความโกรธซึ่งเป็นเรื่องยากนะจนกว่าจะรู้กายแล้วต่อไปมันก็จะรู้ใจได้ง่ายแต่ว่ามันก็ทำให้เห็นนะว่าโอ้ไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยหรือเพียงแค่การมารู้กายเนี่ยมันก็ช่วยบรรเทาความความทุกข์ในใจได้แล้วเนี่ยกระดาษเด็กเก้าขวบแนละ้วก็ยัง เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ผู้ใหญ่เนี่ยก็ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะแล้วก็อาจจะทำได้ดีกว่าก็ได้นะถ้าว่ามีความเข้าใจนะว่าให้ทุกใจนี่เกิดจากอะไรเนี่ยเนี่ยเวลาเราเราตั้งใจจะมาปฏิบัติเพื่อที่จะดับทุกข์หรือเพื่อที่จะแก้ทุกข์ในใจเนี่ยนะมันก็ต้องรู้ก่อนนะว่าทุกข์ที่แท้จริงเกิดจากอะไรนะ ในงานเนี่ยมันก็จะไปคิดแต่ไปแก้ไขจัดการคนภายนอกหรือสิ่งภายนอกแต่ว่ายังปล่อยให้ใจเผลอเลยยังปล่อยให้ใจหลงหลุดเข้าไปในความคิดหรือว่าปล่อยให้อารมณ์ต่างเข้ามาเล่นงานหรือว่าวางใจผิดนะต่อสิ่งที่มากระทบไม่ชอบอะไรแต่ก็กลับไปยึดติดในสิ่งนั้นนี่ถ้าเรารู้จับนะรู้ว่า อาการของใจเนี่ยหรือว่าการวางใจเนี่ยคือตัวการที่แท้จริง ท, ทำให้เกิดความทุกข์ใจเราก็จะรู้ต่อไปว่าจะหาทางจัดการกับมันอย่างไรอาจารย์ น, นิพุนีนะ